อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในช่วงของรายการธรรมารบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนสองพร้อยห้วันนี้เป็นวันแรมหาค่ำเดือน11ก็ปีมะโร์เหมือนเคยนะคะค่ะพบกัน เช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คงจะอย่างที่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการทราบกันดีนะคะว่าก็จะเป็นช่วงของการที่ดิชันจะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเร้นตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะซึ่งสําสหรับ การพูดคุยนั้นเนี่ยก็ได้รับ อ, อยู่ภายใต้การควบคุมและก็ปรึกษาหารือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้า อ, อาวาสของวัดป่าดอนไฮโซนะคะค่ะเช้าวันนี้ก็ข อ, อนําท่านผู้ฟังมากราบน้มสักการจะสนทนาธรรมะหรือสกักกาับพระอาจ า, ายรายร์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบน้อมสักการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าค่ะสำหรับ เช้าวันนี้นะเจ้าคะ่ะซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์เนี่ยโยมก็อยากจะทุกครั้งที่เอ่ยถึงเรื่องที่ว่าหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเล้นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษของวัดป่าดอนไหาโศกเนี่ยเจ้าคะ่ะโยมคิดว่าก็คงจะมีประเด็นเรื่องของพุทธวจนะเจ้าคะ่ะที่อยากจะขอทำสนทนานในเช้าวันนี้ว่าพุทธวจนะนั้นเนี่ยเท่าที่เราทราบตามภาษาชาวบ้านเราก็คือเป็นสิ่งที่วาจาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้หรือสอนไว้นะเจ้าคะ่ะแต่ตอนนี้ในเมื่อมันผ่านมา จกระทั่งถึงปีนี้ที่เรามีการเฉลิมฉลองพุทธยันตีซึ่งก็คือ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้หรือก็คือคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเองเนี่ยนะเจ้าคะคำว่าพุทธวจนะนั้นอาจจะมีการเข้าใจแอบแปรเปลี่ยนไปบ้างดังนั้นก็อยากจะขอกราบ อ, อนุญาตที่จะนำเรื่องพุทธวจนะมาสนทนากับพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโ น, โนในเช้าวันนี้กันนะเจ้าคะเี่ยบาน ก็อขออนิโมนอ า, าจารย์เลยเจ้าค่ะว่าพุทธวจนะนั้นหมายความว่าอะไรและพุทธวจนะที่แท้จริงนั้นคืออะไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็ต้องเท้าความก่อนว่าอย่างในรายการธรรมรารับรุนของเราเนี่ย เ, เวลาที่เราจะาคือพูดถึงธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยก็เราจะเอามาจากไหนก่อนตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทนะีเราก็ต้องเอามาจากที่เรียกว่าผู้เชา่านะคือสมณโคโดมเนี่ยคือผู้เชา่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตำแหน่งนะคุณเดินใจที่ ใครจะมาเป็นก็ได้นะจะเป็นนายกรนายขอใครก็ได้ละ่ะที่มีความสามารถอย่างนี้คุณมาเป็นได้ <Okay. S 2> นะทีนี้แต่ว่าความสามารถอย่างนี้มันคืออย่างไงโอ้โหเยอะมากนะพระเจ้าบอกว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะเช่นมีบารมีสิ บ, บ้างนะมีความสามารถในการรับรู้ต่างๆมีเวสาลัชยานสีมีอิธิบาทอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะจึงมาเป็นตําแหน่งนี้ได้นะ <Okay. S 2> ในสมัยปัจจุบันเนี่ย <Okay. S 2> ก็มีสมณโคโดมของเรานะคือคือเป็นสมณนี่คือพระนั่นแหละ พระชื่อ <Okay. S 1> นามสกุลโคดม <Okay. S 1> ชื่อสินทัตถานามสกุลโคตรรม ะ, mm. ะแล้วก็ <Okay. S 1> เกิดอยู่ในศักยัตรากูลณ์เกิดในศักยัตรากูลก็แล้วก็มาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตอนนี้าถามว่าทําไมเราต้องเอาจากคนนี้เอาจากคนอื่นได้ไหมแล้นะก็เนี่ยคือประเด็นเพราะว่าถ้าบอกว่าพุทธศาสนาศาสนานี่คือคําสอ น, นก็คือคําสอนของพุทธนั่นเองเพราะฉะนั้นในรายการธรรมราบรุณ หรือว่ารายการธรรมะไหนๆที่ว่าคุณจะจัดให้อย่างถูกต้องดีแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องมาจากพระพุทธเจ้านะาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีหลายองค์กูเตใจมีองค์เดียวนะสมัยหนึ่งตอนนี้มีองค์เดียวสมัยนี้นะมีสมณโคดมองค์เดียวนะไม่มีทางที่เป็นไปได้ที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน2 อ, อ, องค์ไม่มีทางเป็นฐานะาที่เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างในสมัยเนี้ยตัวสมณโคดมยังไม่อยู่ไม่อยู่แล้ว นะีตัวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วนะแต่อะไรอยู่ก็คือคําสอนอยังอยู่เนี่ก็ชื่อว่ายังอยู่ในสมัยของสมณโครดมอยู่นะทีนี้ทําไมเราถึงจะต้องมาศึกษาคําสอนพระเจ้าเองแล้วถามว่าคนอื่นที่เขาแต่งขึ้นใหม่ผสมปนเปนเไปเนี่ยมันมันไม่ได้หรอเนะี่ยก็จึงต้องมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานที่เราพูดกันในะที่คาถามของคุณนิปุณะที่พูดถึงเรื่องละเอียดลึกซึ้งเลยนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเวทนาจิต พอพัดสอนจิตเศร้ามองอกันตุกะอะไรต่างเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องละเอียดละเอียดเนี่ยที่ลึกซึ้งลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยจึงต้องมาเข้าใจสิ่งที่เป็นพุทธประนะให้ดีนะเพราะบางทีเนี่ย เ, เวลาที่เราฟังครูบาอาจารย์พูดหรือว่าคนอื่นๆหรือเพื่อนเราพูดเออคุณไปประดิษฐ์ทำมาเป็นยังไงคนนี้ว่าอย่างนี้อีกคนนึงว่าอย่างนึงอีกคนนึงบอกต้องเห็นนรกสวรรค์อีกคนนึงบอกว่าต้องเห็นอดีตอนาคตอีกคนนึงบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยเออเราใครถูกกันแน่งเนี่ยนะจึงจึงจะไม่มีความสับสนกันอยู่ตรงนี้ เพราะนั้นจึงต้องกลับไปหาต้นตอของเขาต้นตอของคำสอนนี่มันอยู่ที่ไหนกันแน่ก็คือสาวกลับไปสาวกลับไปสมมติคุณถ้าเพิ่งฟังอะไรมาพูดเอ้ยพระไปบุญอมาจากไหนก็สาวกลับไปเราฟังจากหลวงพ่อมาบ้างเราฟังจากครูบาอาจารย์มาบ้างอาวกลับไปไปถามหลวงพ่อไปถามครูบาอาจารย์ท่านมาจากไหนถ้าก็จะกสาวกลับไปเอามาจากครูบาอาจารย์ท่านสาวกลับไปสาวกลับไปสาวกลับไปเนี่ยเราจะพบว่าจะไปจบอยู่ที่สมณโคดมคนเดียวท่านั้นถ้าถูกต้องนะ ทีนี้ถ้าถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะไปจบอยู่ที่สมณะโคดมคนเดียวเท่านั้นนะเพราะว่า<จ>คนนั้นเนี่ย<จ>เป็นคนเริ่มนะพระเจ้าจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่หมุนธรรมจักรเป็นผู้เริ่มหมุนธรรมจักรนะ<จ>คือเรานึกถึงลอ้อกงล้อใหญ่ๆเหมือนล้อกุญเช่นอันหนึ่งนะคุณใจนะจท <ำ S 2> ําจากไม้อย่างดีหรือหินอย่างดีหลือสีลาอย่างดีใหญ่มากเนี่ยคนธรรมดาเข็นไปไม่ไบไม่ไหวนะก็ต้องมีคนที่มีกําลังมีความสามารถมาบึ้มให้มันไปเี่ย เรายกตัวอย่างรถยนต์สี่ล้อนี่ก็แหลถ้ารถตายนะรถสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเข็นเข็นตอนแรกโอ้โหใช้กําลังมากแต่ตั้งแต่สีห้าคนบางทีหกคนช่วยกันเข็นเข็นก็ยังเข็นยากอยู่แต่พอมันเริ่มเคลื่อนที่ไปแล้วเออมันเบาลงเป็นหลายๆเท่าเลยนะคุณ ừ, ใจเคยคือรถเสียไหมเคย <laughs> เคย <laughs> เข็นไม่รู้เท่าไหรเท่าไร่เจ้าคออแล้วเราจะเห็นว่าพอมันเคลื่อนไปแล้วเนี่ยมันเข็นง่ายขึ้นนะเ <laughs> ช่นเดียวกันคนที่เข็นตอนแรกตรงนั้นเนี่ย เดี๋ยเป็นคนที่มีความสามารถไม่เท่ากันกับคนที่มาช่วยเขียนนะคนที่ช่วยเขียนเนี่ยยังเด็กน้อยเขาก็ยังช่วยเขียนได้แต่ชุดที่เขียนตอนแรกเนี่ยต้องมีกําลังมากจริงๆ uh huh. ะ, ะฉะนั้นตรงนี้จึงบ่งบอกถึงว่าเออความสามารถของคนที่จะมาหมุนตา ม, มาจักรครั้งแรกเนี่ยจะมีความสามารถมากนะเช่นอะไรบ้างบริจาคของเราเนี่ยสมรโคดมของเราเนี่ยนะสามารถที่จะกําหนดบทพยัญชนะให้อย่างดีได้ นะมีความละเอียดลึกซึ้งพระเจ้าบอกว่าพระองค์กำหนดบทเยี่ชนะทุกครั้งในการพูดนะคือกําหนดสมาธินิมิตก่อนนะแล้วก็จึงพูดออกไปนะคืออย่างสมัยปัจจุบันคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าเป็นคราวา่าก็ตามหรือเป็นใครที่บอกสอนธรรมะอยู่หรือแม้านาักกฎหมายก็ตามเถอะบางทีพูดอย่างผิดเลยนะพูดเชา้าผิดสลับกับตอนเย็นตอนเย็นพูดอย่างเชา้าพูดอย่างหนึ่งนะจึงมีความจําสับสนบ้างอะไรต่างบ้างเนี่ยนะแต่พระเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้น ผู้ช่าของเราเนี่ยบอกไว้เลตอนนั้นอายุ80ดสิบปดสิบปันาแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะเอาเราไปด้วยตังน้อยๆเตียงน้อยๆสำหรับหาบทุกคนทุบปริภาพเนี่ยนะแต่ความแปรปรวนแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตาขากลุ่นก็ไม่มีสามารถตอบคาถามได้อย่างฉานเหมือนเดิมบทเพลงชาแนลการแสดงทําแบ่งไปที่แล้วก็ไม่แปรปรวนบางคนอายุมากแล้ว80 70เนี่ยเป็นพากินสันความจําไม่ดีแรงต่างแต่ผู้ช่าเราไม่เป็นอย่างนั้น อ, อันนี้ยืนยันไว้กับท่านภาษาริบุตรตอนที่อายุแปดสิบแล้วท่านะภาษาดิบุตรตอนนั้นยังไม่ปรินิพานนะก็ได้เล่าเรื่องอนี้ให้ท่านภาษาริบุตรฟังอืเจ้าค่ะทีนี้คําสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยมันมีความละเอียดลึกซึ้งตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีพรุทธเจ้าใช้ว่าเป็นสัพพัญยนะูรู้หมดทุกอย่างนะสัพพัญยูรู้หมดทุกอย่างเนี่ย มันรู้มากจริงๆนะรู้หมดทั่วสามแดนโลกธาตุารู้หมดว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นยังไงแต่ว่าสอนก็แค่หยิบมือเดียวอย่างพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับใบใบประดู่ที่อยู่บนต้นประดู่เนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบกับบนต้นกับใบที่หยิบมากำมือหนึ่งเนี่ยจฉพบว่าใบที่อยู่บนต้นเนี่ยมากกว่ามากแต่ใบที่อยู่ในกำมือเนี่ยน้อยอ ค, คือสิ่งที่พระธเจ้าสอนใน realism, แค่หยิบมือเดียว อ, นะอแต่สิ่งที่อยู่บนที่ยังรู้อยู่มีกว่ามาก นายาญของบุรุษเจ้าเนี่ยมีได้ไม่จํากัดนะรู้อดีตรู้อนาคตแต่อย่างสาวกยังมีความจํากัดอยู่มีจํากัดอยู่ที่เท่านั้นปีเท่านั้นแสนปีเท่านั้นวัตกระบอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ขบุรุษเจ้าเนี่ยมีไม่จํากัดทําให้การพยากรบุรุษเจ้าก็ไม่ผิดพลาดการกําเนิดบทเพียญชนะพูดก็ไม่ผิดพลาดนะแล้วก็มีหลายๆครั้งที่บางทีท่า น, นภาษาริบุตรเองนะแสดงทําไปบุรุษเจ้าก็มาเขาเรียกว่ามาแก้ไขให้ถูกต้องอย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาให้ถูกต้องแล้วก็ให้ลึกซึ้งให้มีความในเรื่องของจิตโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของจิตเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมาจึงต้องแนะนําว่าออคุณต้องหันมาทางที่เป็นพุทธวจนะล้วนๆน ะ, ะเพราะว่าถ้ายิ่งเข้าไปละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของจิตเรื่องของการทําจิตเรื่องของจิตวางปล่อยวางเรื่องของการพิจารณาธาตุขันธ์แยกแยะองค์ประกอบต่างๆธาตุสีปฏิจจสมุปบาทนี่ยิ่งต้อง กลับมาที่ทปุตรวานะเท่านั้นเลยนะ <Okay. S 1> นอกจากนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่พระเจ้าไปไหนไปไหนเนี่ยพระเจ้าจึงจะเคยเสด็จแสดงถึงความแตกต่างระหว่างความสามารถของสาวกกับความสามารถของพระองค์ด้วยนะพระเจ้าเคยบอกองี้บอกว่าถ้าเปรียบเทียบพระอรหันตะ์กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็มีความเสมอกันที่บิมุตินะเสมอกันที่บิมุตนะคือสบายใจแล้ว เป็นคนที่ไม่มีกิจเลยแล้วจิตไม่กลับกําเริ่มแล้วเอาแล้วงี้มันต่างกันยังไงทำไมมีพระพุทธเจ้าทําไมมีคราสาวกสองรูปทําไมมีอสติมหาสาวก80รูปทำไมมีพระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์ชั้นผู้ใหญ่ก็มีพระอรหันต์ชั้นผู้น้อยก็มีเห็นแล้วมันแตกต่างกันยังไงถ้าทุกองคเนี่ยเสมือกันที่บิดมุดหมดพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าความไม่เหมือนกันเนี่ยตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้มาก่อนแล้เป็นผู้ที่ตรัสรู้มารก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ออกแบบมาร นะส่วนผู้อื่นๆจะเป็นภาษาริบุตก็ตามพระโมกขนาคก็ตามเนี่ยเป็นผู้ที่เดินตามมรรคเท่านั้นเดินตามไม่เฉยเฮ้มันเป็นยังไงเราพูดง่ายๆอย่างคอมพิวเตอร์ที่ท่านผู้ฟังใช้อยู่อย่างเงี้ยนะเราแค่ใช้นะกดตรงนี้ซ่อมตรงนีนะ้แล้วก็ใช้งานตรงนี้คือใช้ในหน้าจอเท่านั้นเองนี่คือคนใช้ตู้ทั่วไปนะ <Okay. S 1> คนใช้ที่มีความฉลาดขึ้นมาหน่อยก็าอาจจะเปลี่ยนเมมโมรีเป็นเปลี่ยนแรมเป็นเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็นประกอบคอมพิวเตอร์ได้นะ คนที่รู้ลึกขึ้นไปอีกก็จะรู้ว่าการส่งผ่านข้อมูลมันกี่บิตส่งผ่านข้อมูลระหว่างตัว CPU ไปเมมโมรีเนี่ยใช้ความเร็วเท่าไหร่มีการ i p e ย i า e ยังไงมีความเร็วกี่เมกะเฮิร์ตต่างๆ็งจะรู้ตรงนี้ด้วยจะออกแบบตรงนี้ได้นะถามว่าไอคนที่รู้ขั้นที่3มที่อาตมาพูดเนี่ยความรู้มันไม่เหมือนกับเราที่มานั่งกิ๊กอยู่หน้าจอทั่วๆไปมันรู้กับเรามากเลยน ะ, ะ, ะแต่มันก็ต่างกันมา ก, า ก, มากแต่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมือนกัน เขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้เราก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้เช็คอีเมลใช้ออกอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตฟังเพลงดูหนังได้ทุกคนใช้ได้หมดแต่ความรู้ของเราพอจะเจาะลึกก็ไปละอ้าวมันจะเปลี่ยนเมมโมรี่ยังไงจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ยังไงต่อหน้าจอยังไงเราไม่รู้แล้วต้องเรียกอีกคนหนึ่งมาไอ้คนที่ทําต่อหน้าจอเป็นเปลี่ยนเมมโมรีเป็นประกอบคอมพิวเตอร์เป็นก็ไม่รู้ระว่าข้างในวงจรกระแสไฟฟ้ามันเดินยังไงมันกี่บิตมันกี่เมกะเฮิร์ตเขาก็ไม่รู้ละต้องกลับไปที่โโรงงานนนผผู้ลิต <Okay. S 2> นะโรงงานผู้ผลิตไอ้ส่วนที่คนที่ชํานาญด้านนี้ก็มีคนที่ชํานาญด้านนูนน้นก็มีก็ชํานาญไม่เหมือนกันแต่ผู้ชา่าวของเราเนี่ยชํานาญทุกด้านทุกจุดรู้หมดตั้งแต่แรกจนถึงปลายนะ<ม>ความรู้โอโ้โหมากกว่ามากจริงนะนี่คือเราพูดถึงคนที่ออกแบบคอมพิวเตอร์นะกับคนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยความรู้ไม่เท่ากันอืแต่ทั้งคู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ได้ทางนั้นอนะ่ะแต่คนออกแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ความใช้คอมพิวเตอร์ได้คือมีความรู้มากกว่า ถ้าจะเปรียบกลับมาในทางธรรมะก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์กว่าสมบูรณ์กว่ า, วาเอ๊ะทำไมพระหลานก็มีศีลสมาธิปัญญานะแต่ว่าไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่าของพระพุทธเจ้าคุณคุ ณ, คณใจนึกก่อนเนาะนึกออกเจ้าค่าะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยคือลักษณะของมัจลักษณะของผู้ที่ฉลาดเชี่ยวช่ำชองคล่องแคล่วในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้ามีมากที่สุด นะส่วนพระอาหารหัอื่นๆนะก็มีมีถึงระดับไหนมีถึงระดับที่จะทำให้ท่านเป็นบ้าอรหันได้นะ่ะตอนนั้นเองอย่างเราบอกว่าเขื่อนอย่างเงี้ยเขื่อนพุทมิพลเขื่อนเซริกิตเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนต่างๆก็มีน้ํานะเก็บไว้ทําการเกษตรได้ใช้ไล่น้ําเสียไล่น้ําดีได้แต่ปริมาณน้ำในแต่ละเขื่อนไม่เท่ากันนะเช่นเดียวกันมันก็มีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะแต่ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันน ะ, นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาศึกษาคําสองพระเช่าหรือจะต้องกลับไปที่ที่เป็นพุทธวัจนะ แล้วผู้เช่าก็ยังยืนยันอีกว่าถ้าสมมุติมีใครมาบอกคุณเดินใจนะบอกว่าคุณเดินใจนี้เป็นคำพุทธชาพูดน ะ, ะคุณเดินใจรับฟังมาเนี่ยหรือท่านผู้ฟังรับฟังมาเนี่ยไอย้นี่เป็ น, ปนคําสอนของผู้เช่าจริงหรือเปล่าเราต้องมาทรงจําคำนั้ไว้ก่อนนะมาตรวจสอบคํานั้นก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งขัดค้าวคือไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรมาเราก็ค้านเติ่งเลยไม่ยอมรับไม่ยอมรับเราก็ไม่ถูกนะหรือว่าก็ยอมรับปฏิบัติตามแล้วไปบอกต่ออันนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกนะ เราต้องเอาคําเหล่านั้นเนี่ยมามาตรวจสอบก่อนนะผู้เจ้าเขาใช้คําว่าเทียบเคียงในพระสูตรนะตรวจสอบในพระวินยัยนะคือส่วนธรรมะที่พระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนนะคือส่วนที่เป็นธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นวินยัยนะถ้าไปเทียบเคียงกันนะแล้วปรากฏว่าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้นะอันนี้ชื่อว่าไม่ใช่คำของผมพระพุทธเจ้าแ <Okay. S 1> น่ให้ลาติงไปเสียแต่ถ้าลงกันได้เข้ากันได้อันนี้เป็นคําของพระพุทธเจ้าแน่ให้ทรงจับ <Okay. S 1> เอาไว้ เนี่ยจึงจึงเป็นคุณสมบัติอีกอันหนึ่งนะพุทธเจ้าบอกว่าตั้งแต่คืนที่พระองค์เนี่ยต ร, รัสรู้สัมมาสัมพธิยานนะจนถึงคืนที่ปริบัติผ่านด้วยอนุปบาทที่เสดสันนิพานธาตตรงนี้มีเวลาสี่สิหปีเนี่ยนะคำพูดของพระองค์เนี่ยไม่มีขัดแย้งกันเลยสอดคล้องกันเป็นประการเดียวทั้งสิน้นนะสอด<ช>คล้องกันเป็นประการเดียวทั้งสิน้นคุณเตือนใจลองคิดดูในปัจจุบันมีคนที่ทําได้อย่างนี้ไหมนะผู้ใหญ่บางคนนักการเมืองบางคนคนที่มีชื่อเสียงบางคน พูดเมื่อตอนเด็กๆต่างกับพูดตอนโตความคิดเปลี่ยนแปลงไปเช้าพูดอย่างเย็นพูดอย่างบางทีตามกันไม่ถูกเลยก็มีนะแต่คําพูดของชาตเนี่ยเป๊ะๆอย่างนั้นนะหรือกฎหมายที่เขาออกมาในปัจจุบันนะยังมีออกกฎหมายนี้มาแก้ของปีกฎหมายนั้นเปลี่ยนร่างฉบับนี้ไปเป็นร่างฉบับอีกฉบับหนึ่งเปลี่ยนมีกฎกระทรวงมาออกทับกฎบ้านจะบัญญัติกฤษฎีการ่างต่างห้มปนกันไปหมดอันนี้ขัดกันอันนู้น ข, ขัดกนันนี้แต่ของเวลาไม่เป็นอย่างนั้น จะสอดคล้องกันหมดนะถ<ด>ูกต้องสอดคล้องอรับเป็นอันเดียวกันเจา้าค่ะตรงนี้จริงเป็นประเด็นที่อาจมาต้องการจะมาพูดเรื่องนี้ว่าถ้าสมมติว่ามีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดเรื่องคําสักคำใดคาหนึ่งออกมาเฮ้ย hey, นนี้มันเป็นพุทธวจะนะหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราบอกว่าเร า, จ, ารจะต้องการคําสองพระเจ้าที่แท้จริงเพื่อที่จะได้ปฏิบัติถูกต้องเนี่ยนะเออเราเรามาลองพิจารณาดูว่ามันจะตรวจสอบกันได้ไหมถ้าใครที่มีความสามารถในการตรวจสอบคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเปิดหนังสือได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องอักษรศาสตร์คุ นี่คือข้อที่หนึ่งตัว น, น, นึ่งแต่เราก็บางทีพระเจ้าเนี่ยตรัสคําพูดเนี่ยไม่ได้ตรัสในลักษณะที่ว่าคุยกับบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่สมมุติว่าถ้าคุยกับสาริบุตรก็จะใช้คาว่าสาริบุตรถ้าคุยกับท่านปัมมะโมคลานะก็จะใช่ว่ามโมคลานะอย่างเงี้ยหรือ ค, รคุยกับภิกษุทั้งหลายก็จะบอกภิกษุตั้งหลายแล้วก็ว่าไปว่าจะพูดอะไรใช่ไหมคคบางทีพระเจ้านั่งอยู่องค์เดียวรูปเดียวก็พูดอะไรออกมาตรัสอะไรออกมาองค์เดียวก็มีแล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มี ความฉลาดในเรื่องของอักษรศาสตร์มากนะคือคือหมายความว่าบางทีเนี่ยพูดพูดอะไรไปเสร็จปุ๊บก็แต่งกรอนปิดท้ายนะไอ้ตรงแต่งกรอนปิดท้ายเนี่ยเรียกว่าคถานะคาถ า, นะ า, ถาแต่งกรอนปิดท้ายตรงคถาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าบทสรุปไอ้สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนะแต่งเป็นคํากรอนปิดท้ายนะในอินเดียเขาจะนิยมพูดกันอย่างนั้นสรุปจบเหมือนกับบางทีเราไปสัมมนาอะไรที่หนึ่งเนี่ยนะ พิธีกรเขาก็สรุปปิดการสัมมนาด้วยกรอนอะไรเงี้ยนะก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคำกรอนบางอย่างก็เป็นพุทธวัจนะก็มีเหมือนกันนะคือไม่ได้ว่าขึ้นต้นว่าใครกับคุณนั้นคุณนี้ตรงๆนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้พระอาจารย์ไพบุญก็เคยเมตตาที่จะนําเรื่องของคาถาต่างๆนะเจ้าค้ามาเสนอในรายการธรรมารับุรุณนี่แหละนะเจ้าค้าใช่นั่นคือเมื่อปีก่อนนู้นนะนะก็นี้ก็คือเราก็เป็นสิ่งที่เป็นพุทธวัจนะเหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วคําพูดพระพุทธเจ้าบางอย่างเนี่ยที่เป็นพระสูตรก็มีเป็นบทสนทนาก็มีเป็นคําอุทานก็มีเป็นคาถาก็มีเป็นเรื่องเล่าก็มีเป็นชาดกก็มีว่ามีเป็นหลายอยางมีตั้งเก้าอย่าง <Okay. S 2> ที่ที่เราศึกษาศึกษากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณเดินใจคือเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่กับเราแล้วนะคือหมายว่าตัวเป็นๆที่จะมานั่งเป้าๆ ป, ประกาศธรรมอยู่ไม่มีแล้วนะ <Okay. S 2> ไม่มีแล้วนะบริญที่ผ่านไปแล้วนะพะพุทธเจ้าอ่ะ เหลือแต่ข้อมูลที่ได้ประกาศเวลาแล้วจบแค่นั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไปถามใครว่า <Okay. S 1> เฮ้คนนี้เขาพูดอะไรออกมาพระพระภัยบุญพูดออกมาสักอย่างหนึ่งเฮ้อันนี้พูดธวจชชาจริงหรือเปล่าเอาเราเดินทางไปอินเดียถามพรเจ้าไม่มีให้คุณถามานะเออเพรา ะ, ะนั้นพอไม่มีให้คุณถามวรนะทำงานเราจะตรวจสอบได้ยังไงว่าอันนี้จริงหรือเปล่าหรือไม่จริงหรือ ย, อยังไงอาจารย์มาเคยมีความคิดอย่างนี้นะว่าเฮ้เรามาศึกษาพุทวิชชาเรามาปฏิบัติตามพุทวิชชาเนี่ยแม้เราจะสา ม, มารถที่จะ Uh, พ, player, พูดคําที่ของปรุชาเป๊ะๆเลยได้ไหมคือหมาว่าสมมติคุณตั้ใจถามอะไรอาตมาออกมาเนี่ยนะอาตมาจะไม่มีคําพูดของเราเองแล้วเราจะพูดพรุภาชนะเป๊ะๆอ้วกออกมาเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยก็ปี้มาเลยเนี่ยมันจะดีมากเลยนะจะดีมากๆเลยนะแมไม่มีคําของเราเจือปนเลยเนี่ยจะดีมากๆเลยแล้วพบว่าอาตมาคิดว่าพยายามจะท่องพยายามจะท่องจําตรงนี้ใช้คํานี้เขาถามว่าวันเกิดธรรมะจะตอบอย่างนี้โดยพรุภาชนะเป๊ะๆไม่ต้องมีคําเราเลยเนี่ยนะ เราทําไปทําไปแล้วท่องไปจําไปเนี่ยเราพบว่าเราทําไม่ได้จนเดินใจเราทําไม่ได้ธรรมะทำไมได้เพราะเหตุใดเจ้าค่ะเพราะถ้าธรรมารทําได้ธรรมารจะเป็นพระพุทธเจ้าเองแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราพูดเป็นพุทธศานาเป้นเนี่ยมันไม่มีใครทําทได้เหมือนนอกจากว่าเป็นพระพุทธเจ้า อ, ะอ่ะ ถ, ถูกไหมแล้วหน้าที่ของพระสงฆ์หน้าที่ของสาวกคืออะไรหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกเนี่ยคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจําแจ้งเป็นสองในหหน้าที่นะ <peach> ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งนะพอเราทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งด้วยคําของรเราก็ต้องเป็นของคุณเองเอาแล้วถามว่าแล้วเราจะไปหาพุทธวจนะตรงไหนนะตรงนี้แหละจึงเป็นประเด็นที่ทำไมต้องการพูดตอนนี้ก็คือว่าเวลารเราฟังข้อมูลอะไรนะคุณเนรใจตอนนี้พระเจ้าไม่อยู่มาให้คุณมาเพิ่มพุทธวจนะแล้วนะเ <inet S 2> พราะฉะนั้นเวลารเราฟังอะไรเนี่ยเราหาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ หาสิ่งที่เป็นพุทธวชนะในคําพูดของคุณเดินใจหาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะในคําพูดของพระไบบูรณ์หาสิ่งที่เป็นพุทธวชนะในคําพูดของคุณบาจารย์องนี้องคนี้หาสิ่งที่เป็นพุทธวชนะในใบไม้ในก้อนดินในภูเขาในอากาศมีหมดอยู่แน่นอนนะพระเจ้าประกาศทำไว้อยู่ในธรรมธาตุมีอยู่ในทุกสิ่งคุณจะหยิบคุณจะหยิบมาดูได้ไหมนะบางคนเนี่ยฟังธรรมะอาอนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่พุทธวชนาโยนทิ้งหมดคือบางทีเนี่ยอธมาร์พูดใดไปเนี่ยในรายการธรรมารุณเนี่ย Altung, เราไม่สามารถพูดพุทธวจนะได้ร้อเอร์เ <social> น <media zijn principe> ์อ <million> ย really ู่แล้วจุ๊ค่ะเราแค่ว่าเราไม่สามารถพูดพุทธวจนะได้ร้อเปอนอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่คำของพระเจ้าอยู่แล้วหรือแม้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คำของพระเจ้าอยู่แล้วก็ไม่ใช่เป็นพุทธวจนะอยู่แล้วจุ๊ค่ะอ่ามันไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ใช่พระเจ้านะเราจะมาพูดเหมือนพระเจ้าเป๊ะเป็นไปไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้งั้นเราจะเป็นพระเจ้าเองจุ๊ค่ะอ่าทีนี้เวลาเราฟังเนี่ยพระเจ้าจึงแบ่งเป็นสองอย่างนะแบ่งเป็นทั้งอัตะนัั้งพยญช พรนะเจ้าพูดถึงสุดต่ตางๆหรือว่าประสูตรที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเนี่ยนะเนะก็มีอยู่2 อ, อย่างคือโดยอัฏ ฐ, ฐและโดยเพยนชนะอย่างถ้าจะมาพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญานะีด้วยบทเพยนชนะของเราเองอย่างเงี้ยอธิบายสิ่งต่างๆออกมาอย่างเงี้ยทมันเป็นบทพยนชนะของเราเองซึ่งเรากําหนดบทเพยนชนะไม่ได้เหมือนพระเาเป๊นะนี่ยก็เป็นความสามารถของเราที่เราทําได้แค่นี้ ค, คือถ้าใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยคุณเดินใจเขาจะสามารถกําหนดบทเพลงชนะที่เหมือนกับผู้พุทธชาติได้เป๊ะๆ เ, เลยอย่างพระมหากระจายนะเป็นต้นพระอานนุ์เป็นต้นพระสารีบุตรเป็นต้นแหมมันดีมากถ้าเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงหรือแม้แต่พระอ น, นุนกําหนดบทเพลงชนะที่เหมือนของพระชาติก็จริงแต่ก็ยังมีคําของพระอา น, นุ์ปนอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆในส่วนที่เป็นคําคําเสริมคําเชื่อมประโยค คําพักทยอลาปะณะกิริยาบางคำํำก็ใช้เป็นสับแสงที่ท่านพระอนุนใช้เท่านั้นเองนะ ม, มันก็ยัง <18. S 2> มีสิ่งที่ไม่ใช่พุรธวจนะปนปนอยู่ในนั้นแต่ว่าการกําหนดบทพิจนะของท่านเหล่านั้นเนี่ยสามารถทําได้อย่างดีเพราะท่านเหล่านั้นมีความสามารถมากะนะมันก็ยังจะมีบทเพนชนะที่ไม่เหมือนปนอยู่แน่นอนสมมุติเหมือนสัก 99% ไม่เหมือน 1% ก็ยังไม่เหมือน 1% นะทีนี้ถ้าเรา<ช>นะถ้าเรามาดูเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยไม่เหมือน 1% ยนทึ่งหมดร์เซ็นต์โยนทะิ้ยหมดโอ้ ใชหมทีนี้พอมาถึงพระอีกองหนึ่งอ่าพระ อ, องค์หนึ่งก็กําหนดบริเวณชนะได้อได้ดีขึ้นได้ได้ดีไม่เท่านะอาจจะกําหนดบริเณชนะได้ 80% เหมือนพรหมชาเป้นะโดยอัฐาเหมือนแค่เหมือนโดยอัฐาเหมือนร้อยอซอยู่แล้วนะแต่อีกยีสเเนี่ยโดยบริเวณชนะไม่เหมือนอันนี้ก็ดีนะาตมาว่าอเจคืออย่างน้อยก็ยังมีส่วนที่เป็นบริชนะมากแต่อัฐะเนี่ยร้อยเอซอยู่แล้วนทะีนี้มันจึงต้องแยกเป็น2อย่าง น, บบนั่นคือบทเพลชนะก็ส่วนหนึ่งโดยอัถาก็ส่วนหนึ่งนั่นคือภิกษุในธร ร, รมะวินัยนี้เนี่ยคุณเดินใจ จ, จะต้องกล่าวธรรมนะต้องกล่าวธรรมเนี่ยคือหมายว่าคุณต้องเอาธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้มากล่าวนะคุณจ<น>ะเอาของคนอื่นมากล่าวไม่ได้นะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราเอาเรื่องราวเช่นเรื่องราวใดหนึ่งมาอ า, ามามาพูดถ้าพระภบูลอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเรื่องศีลไม่ได้พูดเรื่องสมาธิไม่ได้รู้พูดเรื่องปัญญาเนี่ยเราชื่อว่าไม่เป็นสาวกในธรรมะวินัย น, นี้แลนะเป็นผู้พวกน้องรีดนะ เป็นพวกนอกแนวล่ ะ, ะแต่มา ช, ชักชวนไปลงทุนเล่นหุ้นซื้อขายทองอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเรานอกแนวแล้วนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าสมมติเราทําอย่างนั้นน ะ, ะเราจะไม่ได้เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญานะมันก็เป็นโดยอัถาก็ไม่ถูกแล้วโดยบทเพี้ชนะนี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยถ้าอัถาก็ไม่ใช่บทเพี้ชนะก็ไม่ใช่ น, นี่ก็ละเรื่องละโยนทิ้งเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบทเพี้ชนะที่เหมือนร้อเอร์เซนี่ยมันก็ต้องของพระพุทธเจ้า นะทีนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ตามพระสงค์หรือฆราวารก็ตามที่กล่าวทําอยู่เนี่ยก็ดูที่ความสามารถของท่านว่าท่านสามารถกําหนดบทเป็ชนะได้เหมือนไหมแต่อัฏฐะต้องเหมือนอัฏฐะต้องเหมือนนะถ้าอัฏฐะก็ไม่เหมือนบทเพชชนะไม่เหมือนโยนทิ้งเลยแต่ถ้าบทเพชชนะไม่เหมือนแต่ดูสิดูอัฏฐะเหมือนไหมถ้าอัฏฐะเหมือนเราก็ฟังส่วนที่เป็นอัฏฐะ ก็ไม่ต้องไปฟัง <Okay. S 1> ส่วนที่เป็นบทเพลงชนะเพราะบทเพลงชนะยังไงมันก็หาที่ผิดเจอแน่นอนแม้แต่ของภาษาดีบทก็ตามแม้แต่ของพระหมากาจารยนาก้าตามก็ยังเจอบทเพยงชนะที่ไม่เหมือนอืมอืม เ, เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมโยมถามตรงนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่า ความหมายของคําว่าอัฏฐะที่พระอาจารย์ไพบูลพูดเนี่ยเจ้าคะก็หมายถึงเนื้อหาใช่ความหมายหรือว่าคอนเทนต์ซึ่งเป็นความหมายบางสิงที่พระองค์ส่งตรัสไว้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใเจ้าคะส่วนพยัญชนะนี่ก็คือการที่เราจะมีกลับแก่แต่ต่อนํามาพูดคุยอย่างที่พระอาจารย์พูดอยู่ในชี่นนี้นะเจ้าคะเจ้าคะถามแบบนี้เพื่อให้ทางฝั่งทางบ้านได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเจ้าค่ะนีมลต่อเลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยเราฟังหาสิ่งที่เป็นพุทธชนะ หาไม่ใช่หาที่ไม่ใช่นะที่ไม่ใช่มันมีอยู่ทุกแห่งอับคุณเตือนใจสิ่งที่เป็นอาธรรม<ะ>สิ่งที่เป็นอนัต t h สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะคนชั่วมันสร้างอยู่เยอะแยะอยู่พอแรงแล้วนะนไปหา<ะ>ที่ไหนมันก็เจอนะคุณไม่ต้องหาคุณเจออยู่ต่อหน้าต่อตาก็มีนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะตามข่าวนหนังสือพิมพ์คนทำชั่วคนทำบาปในะส่ร้ายป้ายสีมีหมดอะ่ะนะแล้วถามว่าเราจะหาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเจอในสิ่งนั้นได้ไหมนะทั้งโดยอนัถ t ทั้งโดยพยัญชนะถ้าคุณเจอโดยอนัต t เนีคุณเอาไว้เนีเอาส่วนที่เป็นอัฐานั้นไว้เนีส่วนที่เป็นไม่ใช่เป็นพระชนน์คุณก็ยกไว้ก่อนนีส่วนไหนที่อัฐาก็ตรงบทเพลงชนะก็ตรงคุณก็เอาส่วนที่มันตรงส่วนที่ไม่ตรงคุณก็ยกไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะสบายใจเนี่ยเราก็จะสบายใจตรงที่ว่าเฮ้ยน้อยเราจังยังเจอสิ่งที่เป็นพระวจนะนะสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเขาด่ากันมากกันอย่างเดียวเลยเนีเราก็ยังรู้ว่าไอ้สิ่งที่ด่ากันว่ากกันนี่พระเจ้าให้ละนะเราก็ยังมีความระลึกถึงสิ่งที่เจู้ายยยงสออนู้่ดว อมจค่ะก็ะะะดีอ่ะมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยจค่ ะ, ะก็ขอให้เรายึดถือสิ่งที่เป็น พุทธวจนะแท้ๆนะเจ้าคะที่เป็นอัฏฐะแท้ๆที่พระองค์ได้ทรงจัดสอนไว้และพระธรรมคําสอนนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ยืนนานมานะเจ้าคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คืออยู่ยงคงกระพันมาถึง 2,600 ปีในปี 2,555 นี้แล้วนะเจ้าคะแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์พบูลนภิปุโนได้เคยสากัรฉาไว้ว่าพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธโคดมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีวัน ที่จะสับสนมีแต่ว่าสอดคล้องต้องการทุกอย่างหมดในทุกบททุกธรรมะนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ค่ะทุกผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับทราบโดยกระจ่างแจ้งแล้วนะคะจากพระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปโนโรพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมอวยเกล้นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคูหลงพ่อดออรสะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกร น, นั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะค่ะก็ขอฝากอย่าง สิทยิอนุสิ์ทั้งหลายนะคะรวมทั้งท่านฟังผู้มีศรัทธาประสาทะถ้าท่านอยากจะไปร่วมทำบุญทากุศลกับวัดป่าดอนหายโศกก็วันอาทิตย์หน้านะคะ วันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนก็จะมะีพิธีทอดกระถินประจําปีของวัดป่าดอนไฮโศกแล้วค่ะก็ขอเชิญไปพบกันได้ที่วัดป่าดอนไฮโศกที่ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะค่ะท่านผู้ฟังเข้าเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรากงจะต้องอกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยล่ะเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะในช่วงของการสากระชับซึ่งดิฉันก็จะได้มากราบนมัส ก, การพระจันทรย์ไปบุญอ ภ, ภิปุโนได้สการสกระชหรือสนทนาธรรมดีๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบนำ้ำมการลาและกราบนำ้ำมการขอพระคุณอย่างสูงแด่พระอาจารย์ไพบุญอภิพมโนของเรานีนะคะกราบน้ำส ก, การลาและกราบขอพระคุณอย่างสูงเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเชิญบานสาธุเจ้าค่ะ